กันพระองค์นี้เป็นเป็นพระราชาที่เรียกว่าบ้านเมืองก็ปกครองโดยโดยทําโดยประชาชนเนี่ยไม่อดอยากเลยและขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นได้ทั้งรูปประชานนะทั้งโดยเกษินและก็โดยพรหมมิหารเนี่ยนะกล่าวว่าอยู่โดยพรหมมิหารเป็นต้นนี่เล่าถึงเกล็ดนิดเล็กน้อยว่าพระองค์ทํากรรมอะไรมาเนี่ยนะบุญอะไรหนอทําให้พระองค์ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในนาศ521เนี่ยนะ ยอนหน้าข้างล่างบอกว่าอดีตพระองค์เคยบริจาคสมบัติเคยเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็เป็นผู้ที่มีศีลก็คือทานศีลภาวนาที่อดีตพระราชาพระองค์นี้เคยทำมาแล้วนั่นเองอคือบอกว่าพระราชาเนี่ยอดีตเกิดในตระกูลครหบดีโดยสมัยนั้นมีพระเถระรูปหนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะมีพระชนอยู่ทรงมีพระชนอยู่ก็ยุด พระพิสูรรูปนี้ก็อยู่ในพรรษาพระโพธิสัตว์เข้าป่าด้วยการงานของตนเห็นพระเถระแล้วเข้าไปเฝ้าไหว้แล้วก็แลดูที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระก็ถามว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นี้หรือได้ฟังว่าอย่างนั้นกุบาสกก็คิดว่าสมควรที่จะสร้างบรรณสาลากุฏิมุงใบไม้ถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้แล้วก็เลิกการงานของตนคนท่าผสมภาระสร้างบรรณศาลาฉาบโบกฝาด้วยดินเหนียวติดประตู พนักนั่งแล้วก็นั่งในที่ควรสุดข้างหนึ่งก็คิดว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทําการบริโภคหรือไม่หนอพระเทระหลังจากกลับมาก็เข้าไปสู่บรรณาศาลานั่งในที่พนักอุบาสกคือพระโพธิสัตว์มาแล้วก็ไหว้นั่งที่ใกล้ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรณาศาลาผาสุกไหมผาสุกและสมควรแก่บรรประชิตบอกท่านจะจําอยู่ที่นี่ไหมบอกอย่างนั้นอุบาสกรู้แล้ว ก็บอกว่าพระเถระจักอยู่โดยอาการที่เราจะได้รับให้พระเถระทราบว่าท่านไม่ต้องไปสู่เรือนขออภัยคือท่านต้องไปสู่เรือนของกระผมเป็นนิจก็คือนิมนต์ฉันที่ว่านเป็นประจําก็บอกว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงให้พรอย่างหนึ่งแก่กระผมเถิดบอกว่าบนรนตะชิตล่วงพ้นพรหมดแล้วบอกว่าพรที่ไม่มีโทษพร น, นั้นคืออะไรบอกข้าแต่ท่านผู้เจริญมนุษย์ทั้งหลายในที่เป็นที่อยู่ประจําย่อมปรารถนาการ มาในมงคลหรืออมงอวะมงคลย่อมโกรธแก่พระเีระผู้ไม่มาก็แปลว่านิมนท์พระไปทําบุญถ้าพระมาก็ชอบพระไม่มาก็โกรธเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเม้ท่านไปสู่ที่นิมนท์อื่นแล้วก็กลับมาสู่เรือนของกระผมแล้วก็รับพัดเป็นนิดคือใครนิมนท์ไปไหนก็ไปเถอะอย่าไปขัดเขาเลยอย่าไปห้ามเขาเลยเพราะบางทีเขาก็โกรธอ่ะนะก็เป็นบาปแก่เขาแต่ข้าไม่มีใครนิมนท์ยังไงก็นิมนท์มาฉันที่บ้านผมเป็นปกติก็แล้วกัน แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามว่าเออเคาไม่ต้องไปใครไม่ต้องมาทําบุญไม่ต้องอะไรไม่ก็อนุญาตได้หมดนะแล้วแต่พระคุณเจาวว้าบอกงั้นเถอดแต่ถ้าไม่มีใครนิมนต์ไปฉันที่ไหนก็มาฉันที่เรือนของกระผมเป็นนิสประโพธิสัตว์ก็ปูเสือลำแพนในศาลาตั้งเตียงต่างวางพนักพิงที่เช็ดเท้ากุดสะทาที่จงกรมเกลีย่ยทรายเห็นสัตว์มาทําลายฝาก็ทําดินเหนียวให้ตกก็ล้อมรั้วหนามเห็นสัตว์ ลงสระน้ําทําให้คุณก็ก่อบันไดาภายในล้อมรั้วน้ําภายนอกปลูกแถวตาลในที่สุดรั้วภายในเห็นสัตว์ทําที่สกปรกทําสกปรกใดที่จงกรมท่านก็ล้อมอที่จงกรมด้วยรั้วปลูกแถวตาลในที่สุดรั้วภายในแล้วก็ยังอาวาัตให้สําเร็จถวายไตรชีวบิณฑบาตยาโพชพาชนะบริโภคเหยือกน้ํากันไกลมีดตัดเล็บเข็มไม้เท้ารองเท้าถวายตุ่มน้ําร่มคบเพลิงไม้แคะ ไม่แค่หูหมุนหูเนี่ยนะถวายบาทสลกบาทผ้ากรองน้ําแล้วก็ที่กรองน้ําหรือสิ่งใดที่บรรปะชิตควรบริโภคอย่างอื่นแด่พระเทระขาบอกว่าบริการที่พระโพธิสัตว์ไม่ถวายแก่พระเทเรไม่มีขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์นั้นก็รักษาศีล ร, รักษาอุโบสถบำรุงพระเทเรตลอดชีวิตส่วนพระเทระอยู่ในอาวาสนั้นแล้วบรรลุเป็นธาตุหันแล้วก็นิพพานฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นทําบุญตลอดอายุ ข, ขยบังเกิดใน เทวโลกจุติในเทวโลกมาสู่มนุสโลกก็เกิดเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพรรดิในราชธานีชื่อว่ากุสาวดีบุญแม้อันไม่ใหญ่ยิ่งได้กระทำแล้วในาศาสนาของท่านอย่างนี้มหาวิบากจึงมีเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงทำบุญถึงตอนทำไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่เวลาผลมาให้ผลแล้วกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นี่นะก็เหมือนกับว่าเพรา ะ, มะเมล็ดพันธุ์พืชลงในนาดีเนี่ย ่งเช่นเพราะมาเมล็ดพันธุ์อะไรมเมล็ดพันธุ์พวกเช่นมะม่วงเนี่ยนะมะม่วงเนี่ยปลูกแค่ห้าร้อยเม็ดเนี่ยก็โอ้ยทานไปเถอะเนี่ยนะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉันใดก็ดีบุญใดเหล่าใดที่ทำไปแล้วในผู้ที่ส่งคุณบุญเหล่านั้นก็ให้วิบากหาประมาณไม่ได้ตอนหลังท่านก็ทุกอย่างสาเร็จสมความราตานาำหมดแล้วท่านก็กลายเป็นว่ามาเจริญมาเจริญอะไร มาเจริญฌานทั้งหลายเนีะพอมาเจริญฌานทั้งหลายท่านก็อยู่ด้วยฌานท่านบอกว่าพระองค์นี้มีนครแปดหมื่นสี่พันแห่งมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุกมีปราสาทแปดหมื่นสี่พันปราสาทมีธรรมปราสาทเป็นประมุกมีช้างแปดมีเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันหลังมีบอลลังแปดหมื่นสี่พันที่มีช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกมีม้าแปดหมืนสี่พันตัวมีรถแปดหมืสี่พันคัน มีแก้วมณีเนี่ยนะแปดหมื่นสี่พันดวงมีสตรีแปดหมื่นสี่พันนางมีครหาบาดีอยู่แปดหมืนสี่พันคนแล้วก็มีกษัตริย์ผู้สวามิภักคอยบำรุงอีกแปดหมื่นสี่พันองค์มีแม่โค น, นมอยู่แปดหมืนสี่พันตัวมีผ้าอยู่แปด0มืนสี่พันโกรดพับคำว่าโกรดพัพก็คือสิบสองืนเรียกว่าหนึ่งโกรดพับอย่งงนนะมีพระกาหารเต็มด้วยภาชนะแปดหมื่นสี่พันสำรับแต่ถึงอย่างว่านะ จะยังไงยังไงก็มันก็ใช้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละนะแปดหมืสี่พันสำรับั บ, บริสวัยอยู่สําหรับเดียวนั้นแหละตอนหลังพร ะ, พระเจ้าสุทัศน์มีมเหสีชื่อว่าพระนางสุพัฒาเทวีทีนี้พระราชาเนี่ยตั้งแต่พระองค์ได้ฉาเนี่ยพระองค์ก็เงียบเก็บตัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผ่านไปหลายปีหลายร้อ ย, ยหลายพันปีพระนางสุภัฒาก็เข้าไปเฝ้าพอพระนางสุภัฒาเข้าไปเฝ้าเนี่ยนะ ก็รับสั่งกับปรินายกแกว้วพระเจ้าสุทัศนะได้ยินเสียงอย่างนั้นก็บอกว่าเทวีหยุดอยูย่ตรงนั้นอย่าเข้ามาเดี๋ยนะห้ามไม่ให้เข้าไปเลยอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้าสุทัศนะก็รับสั่งวันแน่พ่อเธอจงช่วยยกบัลลังก์ออกจากเรือนยอดหลังใหญ่แล้วก็ไปนั่งที่เรียกว่ารับแขกไม่ให้ไม่ต้องเข้าเฝ้าในวังหรอกงั้นไปโน่นไปเจอกันข้างนอกอ่ะเสร็จแล้วพระองค์ก็สําเร็จศีหาสายญาติโดยพระปราดเบื้องขวาไปนอนถามว่าที่พระเจ้าสุทัศนะบรรทมนั่นอะ่ะ คือที่ไหนกทท็ที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานก็เอาเตียงเนี่ยไปตั้งตรงกลางตรงนั้นแหละดํารงด้วยสติสัมปชัญญะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะผนาสุภธรรมมองเห็นแปลว่าอินทรีย์ของพระเจ้าสุทัศนะนั้นบริสุทธิ์ผองใสผิวพันธ์เนี่ยขาวผ่องเพราะฉะนั้นขอพระเจ้ามาหาสุทัศนะอย่าได้สวรรคตเลยเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเนี่ยมีนครแปดหมื่นสี่พันคนครขอพระองค์ห่วงใยและให้มีชีวิตยาวอยู่ต่อไปเถอะ มีปราสาทแปดหมื่นสี่พันองค์ก็ขอให้พระองค์ห่วงใยติดข้องอยู่ในปราสาทอายุจะได้ยืนต่อไปเนี่ยนะพระนางก็บอกให้ติดข้องในเรือนยอดให้ติดในบาลังให้ติดในช้างให้ติดในม้าให้ติดในแก้วให้ติดในสตรีให้ติดในเครือาบดีในกษัตริย์ในแม่โคนมในผ้าแล้วก็ถาดพระกยาหารพระเจ้าจักรพรรดิก็เลยห้ามว่าเทวีเธออย่าได้ทักทายเราด้วยของน่ารัก น่าใครหน้าพอใจมานานแล้วเธอนีนพูดอย่างนี้มาเยอะแล้วแต่ในเวลาภายหลังเธอจะอย่าทักเราแบบนั้นเธออย่าทักเราด้วยของที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจแบบนี้เมือม่อก่อนสิ่งเหล่านี้น่าพอใจแต่บอนนี้ไม่น่าพอใจแล้วเพราะฉะนั้นให้เธอทักว่าความเป็นต่างๆความละเว้นจากของรักความเป็นอย่างอื่นจากของรักคือเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแลย ให้ไปบอกความจริงอันนี้เลยพระองค์ยังไงก็ต oh e ้องจากนะเพราะฉะนั buns, ้นพระองค์ก็ต้องจากขอเดชะพระองค์ยามมีความห่วงใหยสวรรคคตรเลยอย่าตายแบบคนห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่มีความห่วงใหญ่เป็นทุกข์และความตายของผู้ที่มีความห่วงใยถูกติเตียนเหมือนกนติเตียนยังไงนะความตายของผู้ที่ถูกถูกความห่วงให้วห่วงห่วงห่วงแล้วก็ตายพร้อมกับห่วงเนี่ยนะ ถามว่าบ่วงอันนั้นที่ห่วงใยตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรในหน้าห้ารอยี่สิบห้าบอกว่าขรหิตตาบปล ว, ว่าสาเปกขะกาลกิริยาไอการที่ตายแบบคนห่วงใยอันพระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าพระสาวกและบรรตชิตเราเอื่นผู้เป็นพหูสูตรติเตียนแล้วทําไมจึงติเตียนก็เพราะตายแบบคนมีห่วงใยเป็นเหตุเกิดเป็นผีเฝ้าบ้านเหมืนกัเอาเป็นยักษ์ก็คือผีเฝ้าบ้านเป็นเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่เป็นต้นเลยนะ สองเป็นไหนเป็นสุนัขอยู่แถวนั้นเลยจะไปไหนเห่าฮอนกันเพื่อระงมอ่ะเกิดเป็นแพะบ้างเป็นโคบ้างเป็นกระบือบ้างเป็นหนูบ้างเป็นไก่บ้างเป็นนกบ้างในเรือนของตนเท่านั้นเลยห่วงยายบ้านจะตายเกิดที่ไหนก็บริเวณบ้านนั่นแหละปันก่อนไปเอี่ยไปทุระที่รีสอร์ทของโยมคนหนึ่งนะบอกไม่ค่อยได้มาเลยตอนนี้ก็บอกผมไม่ค่อยห่วงมันแล้วเดี๋ยวเกิดเป็นกบเป็นเขียดอยู่แถวนี้ประมาณ กลัวจะเกิดเป็นกบเป็นเขียดก็เลยโอ้ยไม่ค่อยไปสนใจการงานเท่าไหร่นะทีจริงก็ก็ก็มีคนที่เขาดูแลเป็นอยู่แล้วอ่ะนะก็เลยไม่ต้องห่วงแล้วอนวะงั้นก็เลยกลัวจะไปเป็นกบเป็นเขียดเฝ้าอยู่แถวนั้นเพรา ะ, ะนั้นก็ลงเรือระวังเนะื้อห่วงแล้วก็วนเนี่ยสวนเนี่ยนั่งสลบนั่งรถ ส, สลังดอกหมดนะทีนี้ คนจะต้องบอกว่าพระองค์จงตัดความอาลัยในเมืองทั้งแปดหมื่นสี่เมือสี่พันเมืองเนี่ยนะให้ตัดอาลัยในปราสาทแปดหมื่นสี่พันหลังให้ตัดอาลัยในเรือนยอดแปดหมืนสี่พันหลังให้ตัดอาลัยในบัลลังแปดหมื่นสี่พันที่เนี่ยนะ ก็ตัดอะไรในช้างแปดหมืสี่พันเชือกตัดอะไรในม้าแปดหมืสี่พันตัวให้ตัดอะไรในรถแปดหมืนสี่พันคันให้ตัดอะไรในแก้วมณนีแปดหมืนสี่พันดวงให้ตัดอะไรในสตรีแปด0มืนสี่พันางตัดอะไรในเครือาบดีแปดหมืสี่พันคนในกษัตริย์ผู้จงรักภักดีอีกแปดหมืสี่พันองค์เนี่ยนะในโคโนมอีกแปด0มืสี่พันตัวในผ้าแปดหมืนสี่พันโกรธพระภรคยาหานอีก แปดหมื่นสี่พันที่สำรับจงตัดอะไรเถอเนี่ยนะพนางสุภัถ า, าความที่นางไรักพระเจ้ามหาสุทัศนะมากร้องให้แล้วก็พูดตามไปอย่างนั้นแหละใจจริงก็ไม่ยอมนะแต่ก็ยอมที่จะพูดตาม น, นะซึ่งในที่สุดพระเจ้าสุทัศนะก็สวรรคตในหน้าสี่ร้อยเก้าสิบแปดสวรรคตแล้วก็เกิดในสุขติพรหมโลกเนี่ยนะ พระเจ้าสุทัศนะบริยอยู่ในเมืองกุสาวดีราชธานีเป็นราชกุมารเนี่ยนะเป็นชายหนุ่มรูปงามอยู่ 84%00 มปีดํารงอุปราชเนี่ยนะเป็นอุปราชเนี่ยหมายถึงว่ารองกษัตริย์รองพระราชาอยู่ 84% ดหมพปีครองราชสมบัติอยู่8ปดหมพันปีประพฤติพรหมจรรย์ได้ฌานสมาบัติอยู่ในธรรมปราศาสตรอีก 84% ดหมันปีพระเจ้ามหาสุทัศนะเจริญพรมวิหารสีสวรรคต เพราะกายแต่ก็เข้าถึงพรหมโลกอานอนท์เธอคงจะคิดว่าสมัยนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นคนอื่นอานอนท์ข้อนั้นเธอไม่เพึ่งเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะปกครองเมืองเหล่านั้นน่นะบอกว่าอานอนท์บรรดามเมืองแปดหมื่นสี่พันเมืองเนี่ย น, นะคนครที่เราครอบครองในสมัยนั้นก็คือกุศกุาวดีราชธานีเพียงเมืองเดียว มันจะเยอะขนาดไหนก็ดูแลอยู่เมืองเดียวอางนั้นนะอานนท์บรรดาปราศาสต์แปดหมื่นสี่พันหลังอยู่ปราสาทเดียวคือธรรมะปราสาสตรเรือนยอดแปดหมืนสี่พันหลังก็อยู่หลังเดียวคือหลังใหญ่อันนะบัลลังแปดหมื่นสี่พันที่ก็นั่งอยู่ที่เดียวนั่นแหละก็เปลี่ยนที่นั่งอะนะแค่นั้นแหละช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกก็คี่อยู่เชือกเดียวม้าแปดหมืนสี่พันตัวก็นั่งอยู่เชือกเดียวนะนันมีรถเยอะยๆจะไปนั่งทีอะไรลนะห้าคันได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นรถ 84,000 คันก็นั่งอยู่คันเดียวหญิง 84,000 คนอ่ะนะก็มีคนเดียวที่อุปถักต์อยู่ะนะข้าพนันสุภทานนั่นแหละบรรดาผ้า 84,000 โกดพับ ก, ก็นุ่งห่มอยู่ทีละคู่ใครจะไปนุ่งทีละหาคู่ได้ใช่ไห็นุ่งห่มทีละคู่เท่านั้นแหลพระกยายฐาน 84,000 ที่ก็สเสวย อ, อยู่สําหรับเดียวอา น, นุน เธอจงดูซิสังขารเหล่านั้นล่วงไปดับไปแปรไปหมดแล้วอานุนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้อานุนอานนสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหลอานุนอานสังขารทั้งหลายไม่น่ายินดีอย่างนี้แหลเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับความฝันอานุนข้อนี้ควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงทีเดียว ควรแล้วที่จะคลายกำนัดในสังขารควรแล้วที่จะหลดพ้นในสังขารเพราะสังขารเหล่านั้นเนี่ยนะถึงจะเคยดีเคยยิ่งใหญ่อย่างไรก็ช่างเถอะเหมือนฝันกัว่าไง น, นะเหมือนฝันกระว่าเหมือนคนที่เคยฝันมาแหมฝันว่าขึ้นสวรรค์ตื่นขึ้นมามันก็ฝันอยู่วันยังค่านั่นแหละไปเชื่ออะไรมากมายได้ใช่ไหมฝันมันก็คือฝันวัตถุกรรมทั้งหลายที่ผ่านมาก็ไม่ต่างอะไรจากความฝันเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะ เบื่อนายเพราะสังขารทั้งหลายล่วงไปดับไปแปรไปหมดแล้วสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่ายินดีเพราะฉะนั้นควรที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนสังขารเนี่ยเขาเรียกว่าเอาสิ่งที่ดีเยี่ยมมาสอนวิปัสสนาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ยั่งยืนเลยเนี่ยนะอย่างตอนนี้กับเวิร์ค r ท d ดเนี่ยนะตึกตัวนั้นก็ถล่มเรียบเลยนะได้ขยะแสนตะตันอย่านั้น ได้ขยะแสนกัดต่นเหมือนขย้ายขยะกันขยะพร้อมกับกลิน่นศพหวยหัวนเหม็นตลบอบอวนไปหมดเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะสังขารทั้งหลายเหล่าใดเหล่าใดก็เป็นอย่างนี้แล้วอนนนก็แลเราย่อมรู้ที่ทอดทิ้งร่างกายเราทิ้งร่างกายในประเทศนี้การที่เราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตเป็นผู้พิชิต มีชนบทมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการทิ้งร่างกายตรงนี้เป็นที่เจ็ดเนี่ยที่มานอนตายตรงนี้นะเจ็ดครั้งพอดีอานอน์ก็แลเราไม่เห็นประเทศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมม า, ามา์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่ตถาคตจะทิ้งร่างกายเป็นครั้งที่แปด หมายค่ะว่าทิ้งครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดก็จบกันนะนะเพราะอะไรแต่ว่าอันนี้เฉพาะที่ตรงนั้นนะมันมันสัตว์นี่มันเคยตายทุกแห่งนั่นแหละแต่เฉพาะตรงนั้นอะพระ อ, องค์บอกว่าเจ็ดครั้งแล้วเหมือนกันครั้งที่เจ็ดแต่จะไม่มีครั้งที่แปดเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันว่าอา น, นิจาวตาสังขาราอุปทัตวิยธรรมมิโนอุปชิ ต, ตวานิรุตฉันติเ ต, ตสังโุปสมโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะ รู้ความไม่เที่ยงของสังขารด้วย อ, อนิจจานุปัสนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อมันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยปรงแต่งสังขารทั้งปวงเหล่านั้นก็มีความสิ้นเป็นธรรมดาเสื่อมเป็นธรรมดาเกิดมีความเสื่อมคลายไปดับไปแปรปลนไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อมันเกิดขึ้นเพราะความที่คติแห่ง สังขารธรรมเตการเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารได้ถ้าสงบระ ง, งับดับสังขารแทงตลอดพระนิพานเป็นที่สัดับสังขารได้นั่นแหละเป็นสุขที่เที่ยงแท้เนี่ยนะันพระองค์ก็แสดงมหาสุดทัศนสุดอันนในสมัยนั้นให้พระอานนท์เป็นต้นฟังเพื่ออะไรเพื่อชนเหล่าเอ่นได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศานานี้แล้วก็จะพากันบำเพ็ญบุญ นะะบันเพนกุศลพาการเจริญกุศลทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อสุขสมนัตเป็นไปเพื่อสวรรค์แล้วก็เป็นบุญเป็นวาสนาเพื่อพระนิพพานซึ่งพระองค์ก็ประกาศกามประกาศผลของกรรมประกา ศ, กา ศ, กาศบุญที่มีผลกรรมที่เคยทําในอดีตเคยให้ผลแล้วในอดีตกรรมที่เคยทําในอดีตให้ผลในปัจจุบันสําหรับผู้ที่ยังท่องอยู่ในวะตะัตฏะกรรมที่มีแล้วในอดีตก็จักให้ผลต่ อ, ต, อต่อไปใน อนาคตสรุปว่ากรรมอดีตให้ผลแล้วในอดีตกรรมใ น, นอดีตให้ผลในปัจจุบันกรรมในอดีตก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมปัจจุบันก็ให้ผลได้ในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมที่เราทั้งหลายจะทํำในอนาคตก็จะมีผลต่อไปในอนาคตวัด ต, ตะสงสารก็ไปอย่างนี้ไม่มีจบมีสิ้นเพราะฉะนั้นควรและที่จะเบื่อหน่ายในสังขารด้วยอาทีนาวานุปัสนาควรและที่จะ คลายกำหนัดด้วยวิราคานุปัสนาเป็นต้นก็คือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสังขารผู้ที่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสังขารได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ในหน้า315ข้ออ่า137ต่อไปอีกว่าอานนท์คือหลังจากที่พระองค์แสดงมหาสุทัศนะจบบอกว่าอานนท์เธอจงเข้าไปเมืองกุสินาราแล้วบอกแก่พวกมาลักษัตริย์เมืองกุสินาราว่า ดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายพระตถ า, าคตจักปรินิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้พวกท่านจงรีบออกไปเถิดพวกท่านอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระตถ า, าคตได้ปรินิพานในคามมเขตของพวกเราเราไม่ได้เข้าเฝ้าพระตถ า, าคตในการเป็นครั้งสุดท้ายคือก่อนที่พระองค์จะดับขันปรินิพานให้ได้เฝ้าพระองค์สักครั้งหนึ่งเถอ ท่านพระนนทูนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นุ่งถือบาทและจีวรเข้าไปยังเมืองกุสินาราลำพังผู้เดียวสมัยนั้นมรรกษัตริย์เมืองกุสินาราประชุมกันอยู่ที่สันถาคารด้วยกรณียกิจเกี่ยวกับเรื่องปริณิพนธ์ของพระพุทธเจ้าในเรื่องอุปถาบำรงพระอพิสุสงเนี่ยเพราะเป็นเจ้าภาพใหญ่เนี่ยนะคือมันเยอะมา ก, กนะรับแขกโดยเฉพาะพระพิสุเนี่ยมาเป็นหลายแสนเขาบอกว่างานนั้นหัวหน้าหัวหน้าพระเถระผู้ใหญ่ประมาณเจ็ดแ0นเนี่ยนะ จะต้องเลี้ยงคนโอ้ได้บุญเยอะเลยนะะโอกาสแบบนั้นหาได้ที่น้ยหน่อยนะท่านพระนนทก็เข้าไปยังสันถาคารของพวกมลรคสัตริย์เมืองกุสินาราบอกแก่พวกมลรคสัตริย์เมืองกุสินาราว่าดูกรวาสิทธะทั้งหลายแตถาโคตรจักปริณิพานในปชิมยามแห่งราตรีในวันนี้แลขอพวกท่านจงรีบออกไปเถิดพวกท่านจะได้มีความร้อนใจในภายหลังว่า พระตถาคตได้ปรินิพพานในคำมาเขตของพวกเราพวกเราไม่ได้เข้าเฝ้าตถาคตในการเป็นครั้งสุดท้ายพวกมรรกษัตริย์พระโอรสพระสุนิสาคือสภัยประชาบดีคือมเหสีพระยาได้สดับคำนี้ของท่านพ่ะนนแล้วก็เป็นทุกข์เสียใจย เปี่ยนไปด้วยความทุกข์ใจเนี่ยนะบางพวกก็สยายพระเกศาพระของแขนทั้งสองข้าครวนล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนมีพระบาทอันขาดแล้วน้อมนอนร้องให้สะเซื่นอยู่ตรงนั้นแหละรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักปรินิพานเร็วนักพระสุคตจักปริณิพานเร็วนักพระผู้มีพระจักสุในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักครั้งนั้นพวกมลรคสัต พระโอรสพระสุนิสาและประชาบดีเป็นทุกเสียพระไทยเปลี่ยนไปด้วยความทุกข์ใจเสดเข้าไปยังสารวันอันเป็นที่เวทพักของพวกมัลรรคสัจเสดเข้าไปหาท่านพระนนท์พระนนท์ก็มีพระดํำรีว่าถ้าเราให้พวกมรรกษัตรจเมืองกุศินาราถวายบังคมทีลองค์ทีลองคเนี่ยพวกมัลรรคสัจเมืองกุศินารามิได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทั่วกันแน่ราตรีก็สว่างเสก่อนพระองค์นิพานก่อนแน่ถ้ามากราบทีลองค์ทีลองค์ ถ้ากะไรเราควรจัดให้พวกมรรกษัตริย์เมืองกุสินาราถวายบังคมพระพุทธเจ้าโดยลําดับแห่งสกุลเอามาทีละครอบครัวเลยทีละครอบครัวเรียกวเวียนมันมากราบอาไรจัดลําดับเลยครอบครัวเรียงกนมากราบทีละครอบครัวอันนะด้วยประการอย่างนี้มรรกษัตริย์มีเอ่ยชื่อมีนามมีโคตรพร้อมทั้งโอรสชายาเข้ามาถวายบังคมใช้วิธีนี้ ประมไม่ยามเท่านั้นแหละไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่นาทีเนี่ยนะก็กราบกันเสร็จแล้วกลับไปหมดได้ถ้ามากราบที่ลงที่ลงแต่ก็ขนานั้นนะพวกมหิสีพวกอะไรก็แหมร้องไห้ผ้าเปียกเยวนพระพู้ต่เจ้าเหมือนกันแหละนะส่วนรายละเอียดที่จะโปรดพระสุภัสท่านี้ก็คงเป็นวันพฤหัสกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็เราก็ได้ฟังมหาปริิพญานีเกี่ยวกับเรื่องการปริิญพานของ พระพุทธเจ้าพันบุญกุศลเหล่าใดที่บังเกิดขึ้นเพราะจิตใจเลื่อมใสที่มีต่อพระรัตนตรัยขอกุศลเหล่านี้ช่วยปกปักรักษาให้เราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อๆไปเธอนะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้